ก็ประการต่อไปก็คือศึกษาคําว่าสัมมาสัมพุโทโธต่อซึ่งแปลว่าเป็นการตัดสู้ชอบได้โดยโด้วยพระองค์เองเนาะทันที่บอกว่าสัมมาก็แปลว่าไม่วิปริตสามังก็คือแปลว่าเองเนี่ยนะ น, นั่นเองไม่เป็นผู้ไม่ถูกคนอื่นแนะนําสั่งในบทหน้านั่นก็แปลว่าสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยบัณฑิตเห็นว่าเป็นสาบที่ทําให้เข้าใจความหมายบอกว่า สยังก็ได้แปลว่าไปเองคําว่าทำทั้งปวงก็ตัดรู้ใยธรรมทั้งปวงแล้วก็ได้ด้วยพระองค์เองเนะไม่มีอาจารย์ที่ท่านใช้คําว่าอาจารย์ของเราไม่มีนะดูก่อนพรามที่ท่านบอกทำที่ควรรู้ยิ่งเราก็ได้ทําให้รู้ยิ่งแล้วทำที่รู้ยิ่งด้วยยาานนวิเศษคือวิชาและวิมุตต์เนี่ย หรืออริยสัจธรรมทั้งสนั้นเราก็ได้รู้ยิ่งเองแล้วปริญญาธรรมธรรมที่ควรรอบรู้เราก็ได้รอบรู้แล้วคือทุกสัตว์เนี่ยนะปะหาตประธรรมธรรมที่พึงละเราก็ได้ทําการละด้วยอริยมรรคเรียบร้อยแล้วคือสมุทยัทยสัจจะธรรมที่ควรทําให้แจ้งคือนิโรธาสัจจะเราก็ได้ทําให้แจ้งแล้วธรรมที่ควรเจริญคือภาเวตปรธรรมเนี่ยนะ เราก็ได้เจริญจนครบรอบแล้วดูก่อนพราหมณ์เมื่อเราตัดสู้ได้ด้วยตนเองอย่างนี้ไม่มีอาจารย์อย่างนี้ไม่มีผู้แนะนําอย่างนี้จะพึงอ้างใครเล่าว่าเป็นอาจารย์อาจารย์ของเราไม่มีใช่ไหมท่านที่บอกก็อุปการชีวกท่านบอกอาจารย์ของเราไม่มีคนที่เสมอเราด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์เป็นต้นก็ไม่มีตรงนั้นน่ะ น, นะก็จะได้ชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้น ในคําสอนธรรมที่ควรรู้ยิ่งเป็นต้นนี่ยนะพระองค์ตรัสรูร้ทุกข์สัตว์ธรรมที่ควรเจริญพระองค์ก็ตรัสถึงมัตจะศัพท์ในคาถานี้ท่านรวบรวมคําถึงกําลังที่มีไว้ด้ว ย, วยอํานาจของจ่าศัพท์พึงทราบเอาถือถึงธรรมที่กระทามให้แจ้งด้วยเนาะที่จริงโดยความหมายท่านตรัสไว้ไม่ครบแต่ท่านก็มี หรือเขาว่าทำที่พึงรู้ยิ่งทำที่ควรทําให้แจ้งเป็นต้นเนี่ยก็โดยการรู้ถึงปาริเสส น, ยนัยนะในที่ไม่ได้ระบุไว้แต่ท่านก็บอกว่าอูท่านท่านระบุถึงไว้ด้วยเนี่ยนะนั้นสัจจะสี่คือทุกสมูทายนี้รดมากก็แปลว่าพระพุทธเจา้านั้นตัดสรู้อริยสัจจะทำทั้งหมดและตัดสรู้ยยธรรมทั้งหมดดังที่ได้กล่าว ในอัตกถาของเสรสูตรท่านอาจารย์ได้กล่าวคําบอกว่าทำที่ควรรู้ยิ่งได้แก่วิชาและวิมุตใิในหลักโดยทั่วๆไปที่เอามาใช้กันเนี่ยก็คืออุกข์สัตว์ทำที่ควรละก็ได้แก่วิสมุทญาสจะก็เพราะผลสําเร็จได้ด้วยการกล่าวถึงเขีดก็หมายความว่าเมื่อกล่าวถึงตัวทุกขสัตว์ใช่ไหมก็ต้องรู้ด้วยว่าทุกข์สัตว์นั้นเป็นธรรมที่หลังหลงนะหล่งไหลมาจากเขีดนี่นะเป็นธรรมที่หลั่งไหลมาจากเขีดเป็นต้น ครั้งที่แล้วพูดถึงในเรื่องเอาทุกขสัตว์อย่างเราทั้งหลายในยที่บอกว่าพอเราจะไปคิดทุกขสัตว์เนี่ยหรือจะไปรอบรู้ไปวิจัยทุกขสัตว์นั้นน่ะเราก็เอาทุกขสัตว์ที่เป็นไปในส่วนของกว้างๆห ย, ยาบๆมาพิจารณาก่อนทั้งๆที่ห ย, ยาบๆนี่แหละแต่สัตว์โลกทั้งหลายก็ไม่เห็นอริยสัตว์ไม่เห็นทุกข์สัตว์ในทุกที่ว่าดูเหมือนหยาบที่สุดก็คือคือผมขนเล็บปันหนังเนื้อเป็นต้นเหล่านี้ที่บอกว่าชาติทุกข์เป็นที่ตั้งของชาติทุ่กยงงไง ชราทุกขมรณะทุกแล้วก็สโสกกาปรีเเดวะทุกขะทมนะสาวแล้วปายาเ ป, ป็นต้นเหล่านี้นะโดยหลักการก็คือในอัดของอริยสัจเนี่ยท่านบอกว่าให้ดูว่ามันปีรณโถอยังไงมันเบียดเบียนยังไงมันเป็นที่ตั้งยังไงก็ให้รู้ว่าในสองส่วนเรานั้นยังไม่พ้นจากชาติที่ทุกขนื้การที่จะไปแบกรูปขันต่อไปแน่นอนถ้าตราบใดยังอยู่ประเภทแบบเนี้ยถ้ากุศลก็เป็นแพทย์กุศลที่ยังเลี่ยเรียกอกุศลอยู่เนี่ยนะ ก็แปลว่าจะต้องกลับไปแบกรูปประคันทีนี้ในส่วนของรูปประคันดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าในรูปประคันของเรานั้นเป็นที่ตั้งของตันหาราคะของกลุ่มสัตว์อื่นมากมายนะนั้นเมื่อสัตว์อื่นไม่ได้วิจัยไม่ได้พิจารณาไม่ได้รอบรู้ทุกษัตริย์เหมือนเราท่านทั้งหลายไม่รอบรู้เป็นไปได้ไหมที่ว่าเขาจักไม่เห็นรูปเหล่านี้แล้วก็เป็นที่ตั้งของราคาบ้างโทษาบ้างแล้วก็โมหะบ้าง บาปอักษรธรรมอลามก็เกิดขึ้นเพราะการที่สัตว์ได้เห็นรูปขันของสัตว์โลกแม่รูปขันของเราท่านทั้งหลายก็เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะไม่ให ม, ม่ที่เกิดมาตอนอายุยังเยาวั ย, ยวอยู่ก็เป็นที่ตั้งของราคะพอเริ่มเจริญวัยมากขึ้นมาก็เป็นที่ตั้งของโทสะใช่ไหมโมหะไม่ต้องพูดถึงมันก็ปกปิดอยู่แล้วนะเข้านะเข้าก็อากัปกิริยาใดๆของเราท่านทั้งหลายในวัยที่กําลังเสื่อมลงทั้งหลายนี่นะ นะเขาก็เป็นที่ตั้งของความล่ำคาญของสัตว์อื่นสัตว์อื่นก็เริ่มล่ำคาญแล้วตอนนี้ทั้งๆที่แต่ก่อนเขาเกิดราคามากเราปราถนาให้สัตว์อื่นเห็นเราแล้วก็มีความรักความความรักความความยินดีในในรูปบัคขันของเราแต่ปัจจุบันเนี่ยขันของเรากลับกลายเป็นที่ตั้งของใหม่ๆก็เป็นที่ตั้งของราคะต่อไปก็เป็นที่ตั้งของโทรศัพทเขาเห็นเขาก็เริ่มโอ้หน้าล่ำคาญขันนี้แล้วเกินใช่ไหมงกงกเงินเงินบั่งอะไรสารพัดนะนะบางที มันเสื่อมสทมไปหมดแล้วนะตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมจมูกเล่นกายต่างๆก็เสื่อมสัตว์อื่นเห็นก็พาเป็นที่นั่งน่าสังเวชสลดใจของเขาสิ่งต่างๆเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของปัญญาของบัณฑิต ด, ดีนะบัณฑิตเห็นแล้วก็ยินเข้ายัยทุกอย่างอย่างแท้จริงใช่ไหมฉะนั้นต้องบอกว่าเออเนี่ยวราณก็ทําประเพณีไว้ดีนะเวลาสวดมนต์เนี่ ย, นน เ, นยเขาให้เราเป็นน่งหมอว่าผ้าคุม แล้วก็ให้พาพิจารณาอนิจาวัฏสงฆาลาอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวาเนโรชันติเตซังวุปสโมสุโขว่างั้นนะแต่เอ๊ะจะไปทําอย่างนั้นบางคนรับไม่ได้พระก็เลยเลี้ยงเขพูดบอกเอา้ามาชักบางสกุลจะได้อายุยืน <c oughs> ก็เลยไปนั่งหมอบไปพระนั่งชักบางสกุลใช่ไหมแท้จริงพระท่านบอกว่าพอชักบางสกุลเบ็ดเสร็จแล้วท่านก็ชักบางสกุลเป็นอีกนะ บออันนี้ยังวัตยังกาโยปทวิอเกตรจุดโทอเปตวินญาโนนิรัถังวคหลิงกันลังก็แปลวม่าโอชื่นใจกลับมาเกิดใหม่แล้วบอแค่นั้นแหละถ้ที่ไหนได้พระท่านบอกว่าไงรู้ไหมว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยมันไม่เที่ยงเนี่ยของขานคุณก็ไม่เที่ยงยังไงของเธอเนี่ยไม่เที่ยงหรอกพระประกอบไปด้วยชาติทุกชะลาทุกมรณะทุกเที่ยงหรืที่ไหนเนี่ยแม้เป็นที่ตั้งของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาและไม่งามด้วย ใช่ไหมเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรนี่ที่กาลังหมอบอยู่ที่ข้อหน้าของพระเนี่ยนะท่านหมวิจัยอย่างนั้นแล้วก็ให้มาชักบางสกุลเป็นท่านบอกว่าเนี้อีกไม่นานจะตายอีกไม่นานแล้วจะตายเนี่ยโอ้ยดีใจใหญ่พระท่านว่าแล้วอีกไม่นานแล้วเราจะตายบอกว่าเมื่อมีวิญญาณไปปราศจากแล้วเนี่ยก็เหมือนกับท่อนไม้และท่อนฟืนที่ว่ทับกับแผ่นดินอยู่ว่าอีกไม่นานเนอวิญญาณไปปราศแล้วว่าอีกไม่นานแล้วคุณจะตายเนี่ย เราโอ้ื่นใจมากพระบอกว่าเราจะตายแล้วแต่ว่าเราเราจะเกิดใหม่แล้วเหมือนได้เกิดใหม่แล้วดีใจก็ได้โมหะต่อมาใช่แล้วก็ยังไม่เห็นอริยสัจ ท, ทั้งทั้ ง, ท, งที่โบราณก็ททำไว้ดีแล้วนี่ก็มารายาหลังก็พอมาทำทำเข้าพระก็หลุดหลุดคำสอนที่สืบต่อโยมก็รับไม่ได้บางกลุ่มเนะ ใช่พระพูดความจริงต่อหน้าก็รับไม่ได้ว่าตัวเองไม่มีอริยสัจอยู่แล้วเนี่ยไม่เข้าใจอริยสัจไม่เห็นทุกขสัจเป็นต้นอยู่แล้วเนี่ยก็บอกโอ้ท่านทําไมหนักเหลือเกินเนี่ยคาสอนของท่านเนี่ยพระกรเล่นนั้นกลุ่มหนึ่งคือตามใจโยมอีกกลุ่มหนึ่งพระก็ไม่เข้าใจโยมก็ไม่เข้าใจสรุปแล้วมาทุกวันนี้ไม่เข้าใจทั้งกู่เลยทั้งพระทั้งทังโยมเนี่ยมันหลุดมาอย่างเงี้ยนะครับ ท, ทั้งทั้งที่ในบทเนี่ดีมากในรูปแบบนี้เนี่ยพระจะสอนได้ดีมาก โบราณเขาทําไว้ดีแต่ความเข้าใจอัตถะของโบราณที่ท่านทําไว้ไม่ดีพอก็หลุดลุยไปหมดแล้วพอพระที่เข้าใจบอกก็บอกบอกเป็นในายเออยอมเอาร่างกายให้พระท่านพิจารณานะมีอันดีสงมากพระจะท่าน ว, วิจัยเป็นทุกขเป็นอนนะัเป็นอันินจังทุกข์ของหน้าตาเเป็นความไม่งามเออก็ะเตดดีน้อยอะไรให้ท่านพิจารณาการจักายของเราที่ไม่เข้าท่าเข้าทางนี่บอยน่าเออในกลุ่มนี้ ฟ้าก็พูดเลี่ยงๆไม่พูดตรงๆเลยถ้าพูดตรงๆขึ้นมากว่ายอมสะดุง้งผมไม่เอาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวบอกไม่ยอมแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหทำไม่ะ